263. ตัชนียกรร ม, มะปฏิปัสสติกระถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับตัชนียกรรม 440. ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ ขอระงับตัชนียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัชนียกรรมเอาละพวกเราจะระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม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 ในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัดชนียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับนะตัวได้ขอระงับตัดชนียกรรม เอาละพวกเราจะระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่ากรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรม กรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปกรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันทำกรรมำทำไม่ดีต้องทำใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันทมกรรมำทำไม่ดีต้องทำใหม่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 ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัชนิยกรรมเอาละพวกเราจะระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสง์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่า กรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทําทไม่ดีต้องทําใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรม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 หายเยื่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัดชนียกรรมท่าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัดชนียกรรมเอาละพวกเรา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 ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัดนยกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัดนิยกรรมเอาละพวกเราจะระงับตัดนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยทาปฏิรูประงับตัดนียกรรมแก่ภิษุรูปนั้นสงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่า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 และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมก ร, รรมทำไม่ดีต้องทำใหม่จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น